ขอความสุขความเจริญสุขมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงถามจากมหาวิทยาลัยศรีปทุกมกำลังนำเสนอเรื่องพระสารีบุตรเถระอีกช่วงหนึ่งที่บอกว่าช่วงหนึ่งนั้นเนื่องจากไม่ทราบว่าเหตุการณ์อะไรเกิดก่อนเกิดหลังช่วงนี้ พระพุทธเจ้าทรงประาบ ร, ระสาลิบุตรเถระคือเนื่องจากวันหนึ่งท่านเที่ยวไปบินทบาทกับภิกษุทั้งหลายจำนวนถึงห้าร้อยรูปได้ไปถึงบ้านเดิมของท่านซึ่งตอนนั้นก็มีเฉพาะมารดาน้องชายนั้นเข้าใจว่าบวชเกือบหม ด, ด น้องสาวก็หงบดดเกือบบวช ด, ด่ะแต่ว่ามารดาของท่านเป็นมิชชาทิฏฐิคือมีความเห็นผิดนับถือรับที่นอกศาสนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือน้อยใจประสาริบุตรมากที่หนีออกบวชคือตอนบวชนี่ไม่ได้ลาแม่หรอก ประออกจากรงละครแล้วก็ข่าวสำนักสัญชัยเลยแต่ปกติแล้วเวลามีพระสงฆ์ผ่านไปที่บ้านของท่านก็ใสยความเป็นแม่นะแต่ความรักจริงๆก็ยังมีเต็มเปียมนั่นแหละ แต่ว่าก็งอนนิดหน่อยภาษาคนแก่พระาหุนเคยกราบทูนให้พระพุทธเจ้าทรงทราบพระหุนนั้นเป็นลูกศิษย์ภาษาริบุตรนะฮะก็ไปบ้านโยมอันดาของภาษาริบุตรเทระนี่แหละ ปรากฏว่านางสารีก็บน่นกระปอดกระแปดหลายหลายเรื่องตะโกนพระสารีบุตรพระราหุลจะกลับก็ด่ า, ดาฝากพระสารีบุตรมาด้วยคือประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าคิดนะฮะว่าสามัญชนไปด่าพระอรหรันต์ มันน่าจะเป็นอายุประวาตและก็บาปมากแต่นี้ก็คือการอธิบายคำว่าคำหยาบคือคำด่าเนี่ยแม่ก็ด่าไปอย่างนั้นเองแหละแต่ว่าใจไม่ได้กโกรธไม่ได้มุ่งความพิบัติรรเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ลูกแต่ประการใดเขาเรียกว่าด่าด้วยปากแต่ไม่ด่าด้วยใจคือใจไม่ดา่า ในตาถาท่านก็เล่าถึงแม่กับลูกชายอยู่บ้านป่าลูกชายก็เป็นวัยขนองชอบเที่ยวแม่ก็เป็นวมเป็นยายลูกไปเที่ยวกลางคืนก็ไม่ยอมให้ไปแต่ลูกก็ดื้อจะไปแม่ก็บอกเออไปก็ไปสิ ไปอ้ควายป่ามันขวีที่ตายไปเสเลยลูกชายก็ยังมุสาไปปรากศว่าพอดีเจอกับควายป่าก็จริงๆแกก็นึกถึงคำพูดของแม่เลยก็ยืนสํารวมจิตอธิษฐานว่าถ้าหากว่าแม่ด่าด้วยใจของแม่ คือต้องการให้ควายปา่าขิดเราจริงๆเราก็ดื้อท่านเพราะงั้นก็ขอให้ควายปา่าขิดเราเถอะแต่ถ้าแม่ด่าด้วยปากเฉยๆคือใจไม่ได้มุ่งความพิบัติเดือดร้อนไม่ได้มุ่งให้ลูกถูกควายปา่าขิดตายก็ขอให้ควายป่าหลีกไป อยู่ในที่ฐานแล้วคอยป่ามองอยู่น่อยหนึ่งก็หลีกไปอีกด้านหนึ่งแกก็ไปเที่ยวกรับไปคือแสดงว่าเรื่องคำว่าคำหยาบคำหยาบต้องเจตนายาบเพราะคำหยาบที่จริงเราพูดยากนะฮะคคนบางคนก็พูดเสียงดัง ยังดังอยู่อย่างนั้นเน่เป็นปกติวิสัยของเขาเป็นอย่างนั้นแล้วบางทีคำท้องถิ่นต่างๆวันก่อนฟังคนอายุทยาชาวนาอายุทยาพูดเราก็ไม่ค่อยได้ยินนะบอกโอ้คำานมันอุดรุดดีนะฮะแต่ว่าเป็นคำไทยแท้ เป็นคำดั้งเดิมที่เขาพูดว่านักเลงกับยุทธยาอีกแข่งหนึ่งที่เคยได้ยินเนี่ยคือทิสุพันแต่คำว่าไอหาเนี่ย้ก็พูดเยอะจึงแต่ก็พูดแล้วก็ยิ้มกันนะหมายความว่าคนที่ถูกเพื่อนเรีย ก, กว่าไอหาเนี่ยก็ยิ้ม แล้วคนที่พูดก็ยิ้มก็ถามไปถามมาบอกว่ามันเป็นคําคล้ายๆกับเป็นคําขึ้นต้นอะไรเนี่ยแล้วก็แสดงถึงความรักใคร่ผูกพันต่อกันแต่เป็นคําที่ผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยหรือว่าเพื่อนรุ่นเราเข้าเดียวกันเรียกกันแต่ผู้น้อยไม่ไม่เรียกผู้ใหญ่หรอก หมายความเป็นคำที่เรียกโดยเมตตาเอ็นดูแต่ฟังแล้วมันก็หยาบสมับในบางท้องถิ่นตึกนานมาแล้วสมัยยังไม่ได้บวชยังไม่ได้บวชนี้ก็ไปทำงานก็มีเพื่อนเป็นชาวเมืองการเป็นรุ่นพี่แต่เราก็ทำงานด้วยกั น, นก็เหมือนกับเพื่อนกัน แกรู้สึกโกรธแค้นเลือดร้อนมากกระสับกระส่ายถามมาเป็นยังไงไปพี่แกก็บอกว่ามันมีคนพูดใส่หน้าแกว่าเรียหาเลือดหาเลือดแล้วบถามมาพี่เข้าใจว่ายังไง มันจะหาเลือดผมมันจะเอาเลือดจากตัวผมบอกไม่ใช่พี่เป็นคําพูดเป็นคําสะบทอย่างหนึง่งเป็นคําสะบทอย่างหนึง่งอะไรก็ตามที่เขาไม่พอใจเนี่ยเขาจะสะบทออกมาอย่างนั้นแล้วคงไม่เกี่ยวอะไรกับพี่ด้วยเป็นปกติของภาษาถิ่นของเขาแกก็รู้แล้วก็คําตัวเองเมือกัน พันภาษาที่นางสารีดาด่าพระฝากพระไปก็เยอะฝากพระราหุลด่าภาษารีบุตรอะไรก็อุตลุดไปหมดเลยแต่ทั้งหมดอย่าลืมว่าพระที่ไปก็คือลูกศิษย์ภาษารีบุตรลูกศิษย์ของโลกอะ่ะท่านก็ไม่ตายเอนดูเป็นธรรมดาแหละแต่ว่าก็าอดจะงอนต่อลูกชายไม่ได้จะทิ้งแม่ไป เพราะฉะนั้นคำด่าข้อนางสารีจึงไม่ถือว่าเป็นคำหยาบแล้วไม่ถือว่าเป็นอิยุ ป, ประวาตถ้าเราเทียบในปัจจุบันก็คล้ายๆกับคำของอาจารย์คูนวัดบ้านไรเวลาท่านพูดเดินหน้าฟังนะฮะแล้ววางแล้วก็อบูนดี รู้สึกว่าบรรยากาศเป็นกันเองดีเป็นครอบครัวเป็นลูกหลานเป็นญาติพี่น้องกันท่านก็พูดอย่างท่านเนี่ยคำบางคำคนอาจจะรู้สึกว่ายาบคนอีกท้องถิ่นหนึ่งอาจจะรู้สึกว่ายาบแต่นี้ก็คือเรื่องภาษาคําคําหยาบจึงหมายถึงใจที่หยาบ เราพูดด้วยความโกรธเราพูดด้วยความริษยาเราพูดด้วยความแข่งดีเราพูดด้วยการดูหมินพูดในลักษณะเยาะเยะ้ยถากถางเช่นพอเขาเป็นคุณหญิงเนี่ยเราอาจจะเรียกเขาว่าท่านผู้หญิงเป็นลักษณะคาหยาบคือยกท่านสูงเกินที่ท่านเป็น หรือว่าท่านเป็นคุณหญิงแต่เราเรียกนา ง, ง, งนั้นนางนี้กรณีแบบกดให้ต่าตามที่ท่านเป็นระเบียบปฏิบัติเหล่านี้เป็นเรื่องที่สาคัญตอนก่อนไปเทศในงานศพที่จริงก็เป็นลูกศิษย์แต่ว่าก็เป็นพลเอกเาก็เห็นว่าอาตมาเป็นคนสนิทสนมคุ้นเคยกันมาก แล้วก็จริงเราไม่รู้ว่าระดับคนเอกที่ได้เหรียญตราอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอนิจจกรรมอสัญญกรรมหรือเรียกว่าอะไรก็รไม่กล้าถามเลยเราก็เปลี่ยนคำกลางๆคำว่าจากไปคือแต่ที่บอกว่าตายเราก็ไม่พูดว่าตายแต่เราบอกว่าจากไปก็าจากไปทั้งนั้นเนี่ย กร น, นีก็คือไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอย่างไรแต่ว่าข้าราชการที่มีเรียนซาอย่างนั้นอย่างนี้แต่อย่างน้อยก็ต้องมีคำเรียกพิเศษแหละพอดีไม่ไม่กล้าถามในที่ประชุมแล้วก็ไม่ได้ชีเดียวใจมาก่อนด้วยเป็นการนิมนต์กระทานหัน ก็รักษากรรมกลางเอาไว้ท่านนั้นเ็กทีนี้เมื่อพระสารีบุตรไปนางสารีเองท่านก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นั่นแหละแต่มิจฉาทิฏฐิที่นี้ไม่ขยาบนะมันเป็นความเห็นผิดหมายความามาหมายถึงความเห็นผิดไม่ใช่แรงจนถึงกับว่า คนเราตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกไม่แรงจนถึงกับว่าเรามาจากพระพรหมพระพรหมเป็นผู้ลิกขีดให้แล้วเมื่อเราตายไปแล้วจะไปรวมกับพระพรหมอะไรทั้นั้นั้นคือไม่ได้แรงขนาดนั้นไม่ได้ถือว่าการกระทําไม่เป็นการกระทําถือว่าผลทั้งหลายไม่ได้มาจากเขตไม่ได้ถือว่า การให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพฤติกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโรคนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีการกระทำทั้งดีทั้งชั่วไม่มีผลจากที่ตายแล้วเกิดไม่มีหรือว่าท่านที่รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนบุคคลอื่นได้รู้แจ้งตามไม่มีเป็นต้นี่ไม่ถึงกับขนาดนั้นการเห็นผิดพูดง่ายๆว่าเข้าใจผิดถ้าเบาๆที่สุด เพื่อไม่ให้มันหนักไปก็เรียกว่าท่านยังเข้าใจผิดอยู่ท่านก็ไม่เลื่อมใสในพระาศาสดาหล้วค่อนข้างจะโกรธพระาศาสดาจะด้วยจเอาลูกแกไปบวชแต่ไม่ยอมให้บวชแต่ว่าครั้นเห็นพระสารีบุตรซึ่งก็เป็นลูก เราไปสู่ทั้งหลายมากัากถึงห้าร้อยรูปนะฮะว่าถึงห้าร้อยรูปก็จำเป็นเนี่ยก็ต้องต้อนรับในฐานะของเจ้าของบ้านอย่างหนึ่งในฐานะของแม่แล้วต้อนรับลูกศิษย์ลูกศิษย์ของลูกแต่ก่อนนิสัยท่านก็ยังงอนแบบเดิมนั่นแหละก็เลี้ยงดูโดยความเคารพ เป็นในขณะเดียวกันก็ปริพากษ์ราษาดิบ ต, ต่างๆนาน า, นาบนอย่างนั้นบนอย่างนี้บนอย่างโ น, น้นหรือสรุปว่ามันถ้าคนคิดไม่ชอบเนี่ยมันก็น่าจะกลัวจะรองก็ทำนองใกล้ๆกับคนบ้านเราเนี่ยมีเยอะนะฮะพระที่ต้องศึกไปเพราะแม่บังคับให้ศึกตอนบวชก็แม่บังคับให้บวชแต่บวชแล้วก็อยากใจลูกศึก ลูกไม่ศึกเอาแม่ก็มาบังคับไปศึกอ่อนบอนขอร้องกันโดยวิธีการต่างๆที่กุฏิวันก่อนนี่ไปคุยกับตามาหลายครั้งขอลูกชายศึกบอกว่าทำไมต้องให้แกศึกล่ะเราต้องการยายไปเรียนต่างประเทศแต่มีความจำเป็นอะไรจะต้องไปเรียนต่างประเทศ ในเมื่อเธอสมัครใจเลือกเส้นทางชีวิตเธอต้องการจะอยู่เป็นพระในเส้นทางของพระ ก, ก็เรียนได้ถึงปัญญาเอกเธอก็อยู่ได้แต่แกก็ต้องการเลยไปจนถึงว่ามีลูกสะพ้ายต้องการจะมีหลานหรือต้องการยาวไปเยอะเลยโดยแกไม่ได้คิดต่อละ วกว่าลูกจะมีหลานนี่คุณจะมีชีวิตอยู่อยู่ดูแลหรือเปล่าคือไม่ได้คิดต่อแต่ว่าคิดเข้าข้างตัวเองทำนองคล้ายๆตัวเองจะอยู่ตลอดไปดังนั้นก็เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่เรื่อยนะฮะแล้วก็ไปคุยเรื่อยดนกุฏิแต่มาก็ไม่พูดกับลุกศิษย์หรอกก็ปล่อยเขาไปบอกคิดเอาเอง ถ้าตัดสินใจจะอยู่ต้องอยู่ให้ได้อย่าลืมมาอยู่นานนะแต่ถ้าอยู่ไม่ได้คิดจะอยู่ ส, สักสองพรรษาสามพรรษาก็สึกตามแม่ไปก็ดีต่อถาน้ำใจของแม่เพราะยังไงเราก็อยู่ไม่ตลอดอยู่แล้วก็อย่ายให้สายหมายความมนทางธรรมก็สายไปทางโลกก็สายไป แต่อย่างงั้นก็จะน่าเสียดายสุงไปแล้วก็ยังเที่ยวไปเที่ยวมาวัดอยู่เรื่อยอยู่ตั่งปีกว่าไหมตอนนี้เข้าใจว่าไปต่างประเทศไปแล้วหายไปเพราะนางซาเลีก็มีลักษณะอย่างนั้นคือต้องการให้อยู่ให้ลูกให้อยู่กับตัวตลอดไปแต่คนไม่ได้มองว่า วิถีชีวิตของมนุษย์ะต่างคนต่างเกิดมาต่างคนต่างอยู่ต่างคนก็จะตายไปเอาถ้าลูกชายอยู่แล้วรู้ได้ยังไงว่าลูกชายจะอยู่กับเราตลอดไปลูกชายจะตายไปก่อนหรือว่าคิดว่าเราจะอยู่กับลูกชายตลอดไปแล้วเราก็ตายไปก่อน หรือถ้าเราเข้าใจเรื่องของชีวิตเนี่ยมันต้องเปิดโอกาสให้เขาเลือกเส้นทางของเขาเองแล้วก็าตัดสินใจเขาเองเขาพอใจยังไงก็เป็นเรื่องของเขาสมัครใจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นก็ไม่ว่ากันมีเรื่องไปดา น, นมากที่เราไปยุ่งเกี่ยวกับเขามากเกินไป ในกรณีของการแต่งงานตลอดถึงการมีลูกเกณฑ์จะให้ลูกเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอใดแต่ใดต่างจะแต่งงานก็ต้องเลือกคนนั้นคนนี้คนโน้นคุณย่าเลือกไว้ให้แล้วคุณค่อเลือกให้แล้วอพ่อเลือกให้แล้วแม่เลือกให้แล้วเด็กเขไม่ได้แต่งงานกับท่านเหล่านั้นนี่นะก็แต่งงานกับคนที่เขารักอะ วันพ่อแม่ก็ต้องปรับใจต้องปรับใจเมื่อลูกรักเราก็รักรักคนที่ลูกรักก็สนับสนุนเขาส่งเสริมเขาไม่ใช่ว่าเอาความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปตัดสินแทนลูกตนางสาลี ท, ท่านคิดเช็นนั้น ก็ไม่จาเป็นจะต้องเดือดร้อนเลยอย่างหนึ่งทรัพย์สมบัติทั้งหลายนีย่คืออย่างไรเนี่ยนางเองก็ครอบครองอยู่ไม่ได้ตลอดแต่ลูกชายเองก็เป็นเจ้าของได้ไม่ตลอดเราก็ต้องจากทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปถ้าพยายามสัมผัสความจริงปัญหาเหล่านี้มันไม่มีมาก แต่เราจะเห็นว่าครอบครัวภาษาริบุตรเป็นครอบครัวที่น่าทึ่งมากๆเหมือนครอบครัวพระพุทธเจ้าเหมือนกันเลยครอบครัวพระพุทธเจ้านั้นพระนางสิริหมามายาที่วงคตไปก่อนครอบครัวภาษาริบุตรนั้นบิดาถึงแก่กรรมไปก่อน แล้วก็เหลือจากนั้นเนี่ยบรรลุมรคผลเป็นพระหันหมดเลยของพระพุทธเจ้านี่มีใครมีพระเจ้าสุทธนะมีพระนางมหาปิชาบ ด, ดีมีพระนางรูปปนันธามีพระนางการนาหรือว่ายะโสธราเนี่ยนะแล้วก็มีพระนันทะมีพระราหุลก็เรียกว่าหกท่านเป็นพระหันหมดเลย ของภาษาริบุตรก็ดูเหมือนจะหกภาษาลิบุตรรูปรเส น, นะพระจุนทะพริวตะผู้ชายสี่ผู้หญิงสามกับหลานชายหนึ่งเป็นแปดนะฮะตกลงว่าเป็นแปดครอบครัวภาษาลิบุตรแปดท่านเนี่ยบรรลุมรคลเป็นประหารหมดนางสารีตอนสุดท้ายท้ายสุ ด, สดๆนะีฮะ ภาษาดิบุตรมาโปรดก่อนยนาิผ่านก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันก็เป็นเช่นเดียวกับพระนางสิริมหามายาที่ทีวงคตแล้วไปอุบัติในสวรรค์ชันดุสิตกุยยศเดจไปโปรดก็บรรลุเป็นพระโสดาบันนี่เป็นครอบครัวดีหน้าตึ่งทั้งสองครอบครัวนะของพระพุทธเจ้า ก, ก็ดีหน้าตึ้งของระสาดิบุตรก็ดีหน้าตึง แล้วเรามองย้อนกลับไปที่บารมีต่างๆที่เล่าไว้ตอนต้นๆเรื่องภาษาชูตรคนกัางยาวนะเราจะเห็นว่าเออบารมีนี้แสดงว่ามันลากข้อความต่างๆไว้เป็นนั้นมากคือไม่ได้พูดถึงวงศาขนาดยากการที่วงศาขนาดยากก็คงจะบาเพ็ญบารมีมาใกล้เคียงกัน จึงว่าลูมรรคผลด้วยกันเรียกว่าเป็นปุเพกะตะปุญญาตาคือทำบุญไว้ในการก่อนด้วยแล้วก็ปุเพสันิวาตคือเคยอยู่ร่วมกันมาในชาติบางก่อนบางก่อนหลายชาติด้วยนะแทนด้วยเรื่องจีภาษาริบุตรละทรัพย์สมบัติไปบวชเสียภาษาริบุตรท่านก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรไม่ได้ว่าอะไร ข้ากลับมาแล้วพิสูจน์ทั้งหลายจึงประชุมกันผู้สรรเสริญพระสารีบุตรเถิดพวกไม่โกรธต่อมารดาคือไม่รู้ว่าจะโกรธแม่ทําไมอ่ะนะคือไม่ได้โกรธต่อมารดาคือคื อ, ค อ, คอที่จริงไม่โกรธต่อแม่เนี่ยสามัญชนเราเองก็ไม่โกรธอคือพวกแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยยังไงเราก็ไม่โกรธ แล้ยิ่งปู่ย่าตายายมันรู้สึกอบอุ่นนะถ้าท่านด่าเนี่ยถ้าท่านไม่ดา่ารู้สึกมันขาดอะไรไปโดยทําไปเจอหน้าที่เรี้ยงย่าด่าทีหนึง่งแล้มานั้นทันเฉพาะยา่าปู่ตอนเราเด็กๆเนี่ยก็เคยพบแต่ว่าก็ไม่ได้คุยอะไรกันกับตานเนี่ยพบแต่ว่าท่านตายไปก่อนเราเด็กๆ ยายนี่ไม่ได้พบกันตายไปก่อนยายนี่อยู่นานนะฮะอยู่นานจนบวชจนเป็นป ร, ริญญาแล้วรู้สึกจะเป็นราชาคณะแล้วเลยทําไปตอนนั้นยายจึงจากไปมันมีความรู้สึกว่าอบูญยาได้ด่าอะไสักคําหนึ่งรู้สึกเป็นสุข เพราะฉนั้นคุณสมบัติเหล่านี้ที่จริงแล้วควรลูกคนจะมีนะลูกหลานควรจะมีขีดเส้นไว้เลยหมายความมาจากแม่ขึ้นไปแล้วก็ด่าไม่กดดะแม่ปู่าา ย, า ย, าาาา ย, าย่าตายายเอาขนาดพี่ของปู่ย่าตายายน้องก็ปู่ย่าตายายไดเลยอยเว้นอย่าเว้นเป็นบุคคลพิเศษ ก็ดาก็ถือว่าให้พอเลยก็มีเรื่องที่ก็นานแล้วนะที่จริงสมัยสมเด็จพระสังฆราชเจ้าอย่างท่งประชนอยู่ตอนนั้นท่งประชวนอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬ า, าพระก็ไปอยู่เวรกันก็เฝ้าข้างในห้องที่ปรปชวนนี่องหนึ่งรูปหนึ่ง รูบ่นก็มาอยู่ห้องติดๆดดกันนั่นแหละปรากฏว่าองค์ที่อยู่ในห้องก็กลับมานั่งคุยกับเพื่อนอยู่อีกห้องหนึ่งเห็นท่านบรรทมุมปรากฏ t h สมเด็จลุกขึ้นมาจากเตียงโอ้ยมาถึงดุใหญ่เลยพวกั้นก็ดีใจกันเหลือเกินมาถึงวัดมาเล่าให้เพื่อนฟังดีใจจะสมเด็จได้ดุ ไม่ได้ยินสมเด็จดูณาแล้วก็ได้ยินดุตือปัญหาการทำใจอย่างนี้มันมันเป็นเรื่องที่เราทำใจเอาได้ยกเว้นกันพวกนี้เราไม่โรดด่ามาก็ถือว่าให้พรทุกทีทีรุนครูบาอาจารย์ท่านเล่าฝังสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพระยาวชยานรํำรงพรุชนอยู่ รู้สึกว่าเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจาันทร์สิริจั น, ทจนโทท่านฉันมากนะฮะก็มีเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะเรียกเข้าเฝ้าสมเด็จวรามณนะเรียกเข้าเฝ้าระเทศซะเยอะเลยลงมาถึงยิ้มฉังมาเลยโอ้วันนี้โปรดมากรับสั่งด้วยเยอะเลยวะโปรดมาก นานพบกันโกรดมากรับสั่งโดยเยอะเลยาทางที่ดุดทางนั้นเนี่ยแต่ว่าท่านเป็นสุขของท่านเพราะในเวทบงพลาเราสักจะถืออย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ว่าไปาก็ไม่รู้ว่าอะไรก็นั่งฟังด้วยความเคารพครับผมครับผมอะไรอย่างเงี้ยน่าจะโกรธอะไรแต่ว่าพระปุทุชนเนี่ยเขาก็คิดอีกแบบว่าน่าจะโกรธ แต่ว่าพระสารีบุตรท่านไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้กโกรธนั่จะกโกรธได้ยังไงปุจจาก็เห็นพระประชุมกันอยู่ก็เสด็จมาสอบถามว่าประชุมพูดคุยกันเรื่องอะไรท่านเราน่านจะเล่าให้ฟังเรื่องที่พระสารีบุตรไม่โกรธปุจจาก็รับสั่งว่าเราเรียกท่านที่ไม่โกรธทันที่ไม่โกรธนะ เอาไม่โกรก่อนมีวัดมีศีลไม่มีตัณหาเป็นเครื่องฟูใจทรมานตนแล้วมีสริริเป็นที่สุดว่าเป็นพรามคือนี้อยู่ในพรามวัก ค, คำว่าพรามในที่นี้หมายถึงพระอรหันต์นะฮะหมายถึงพระอรหันต์เพราะงั้นคุณสมบัติเหล่านี้เป็นการแสดง คำว่าอารหังของพระสารีบุตรได้เห็นพระหาน่านเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็ทุกองค์ด้วยท่านเป็นอย่างนี้แหละหมายความมาใครจะด่าว่ายังไงท่านก็ไม่โกรธเขาเรียกาปาไม่ถูกครับเพราะไม่มีอัตตาตัวตนไปรับคือถ้าเราไม่รับเขาด่าเราเนี่ย เราไม่ อ, าอาตาตัวตนเราไปรับว่าเออคนนี้ก็าด่าเราคนนี้ประหารเราคนนี้ประทุษร้ายเราคนนี้นินทาเราเคย น, นี่ด่าญาติของเราอะไรเนี่ยเยาว์อาตาตัวตนเข้าไปรับมันก็เป็นคําอ่ะมันเป็นคลื่นเสียงที่มากระซศกระทบโสตประสาทเรา แล้วในขณะที่มาเป็นกระแสมานนี่มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับพอดีพอดีมากระทบที่หูเรามันดับไปแล้วตอนเรากโกรธจริงจริงมันดับไปแล้วมันนะมันดับไปแล้วเสียงเนี่ยมันดับไปแล้วเสียงด่ามันดับไปแล้วแต่เราก็ปลุกมันขึ้นมากโกรธโกรธแค้นมาคาดมาพยาบาทก็้วมาได้อะไรอะ่ะคนที่ด่าเข้าไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ แล้วถ้าด่าโดยเจตนายัางไงเราก็ไม่รู้เลยทำไปท่านการไม่โกรธต่อผู้โกรธไม่ด่าต่อผู้ดา่าไม่ประหารต่อผู้ประหารไม่ประทุษร้ายต่อเพราะผู้ประทุษร้ายเนี่ยมันเป็นวิธีธรรมชาติทำนองใกล้ๆกับบ้านเราเปื้อนเท้าเราเปื้อนเนี่ยเราต้องล้างด้วยนะ ไม่ได้ล้างด้วยโคลนล้างด้วยโคลนไม่หายเพื่อนหรอกเพราะเวลาเขาทําด้วยกิเลสถ้าเราใช้กิเลสตอบมันก็เพิ่มภูนกิเลสขึ้นมาทั้งสองฝ่ายสมมุติว่าท่านด่าด้วยความโกรธเนี่ยท่านก็ผิดเองเราไม่โกรธท่านก็โกรธคนเดียวท่านก็เดือดร้อนคนเดียว ถ้าท่านไปเก็บปวดทักก็นอนไม่หลับคนเดียวเราออกจากนั้นมาเราก็ลืมนะเรื่องของท่านรลอยท่านไปมีวัดนะ่ะคือมีหลักการในการปฏิบัติวัดต่างๆเช่นเนี่ยที่เขาเรียกทำวัดเนี่ยหรือกิจวัตรต่างๆขงเขาเรียกวัดทั้งนั้นเน่ยวัดในจีวรวัดในบาทวัดในอาสนะวัดในห้องน้ํา ต่างๆคือมีวัดปฏิบัติมีหลักในการประพฤติปฏิบัติถ้าเราเทียบแล้วคล้ายๆกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมแต่ถ้าขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมพวกนี้เราต้องยอมรับนะคล้ายๆกับว่าในทางเทศกาลสงกรานต์เนี่ยถ้าเรา กลัวเปียกก็อย่าเดินผ่านไปทางนั้นก็แล้วกันเดี๋ยวถ้ า, าเขาศาสตร์ครับมาก็เป็นเทศการนะเป็นเทศกาลทอยังไงแต่มายังเคยนั่งรถไฟไปโดนข้อปาน้ำแข็งใส่ถุงโครมเข้ามาทางหน้าต่างพอดีอีกด้านหนึ่งเนี่ยด้านตรงกันข้ามเนี่ยมีผู้หญิง เขนั่งโดนพอดีเลยเราก็ไม่ถูกหรอกแต่ว่าสมมติว่าถูกมันก็ไม่มีอะไรอะเคยไปที่อินเดียเขามีการก่อจราจลวุ่นวายคราวนั้นถสมัยที่อินเดียปากีสถานรบกับบังกลาเทศเนี่ยปากีสถานวันตกรบกับปากีสถานวันออกก็โดนป่าดิบอีกทั้งก้อนเลยข้าวแขน ก็ไม่ว่าอะไรเขาไม่ได้เจตนาป่าเราสักหน่อยนะึงแต่เราเข้าไปในที่ที่เขาก็บังป่าอยู่เองเราก็ไม่มีทางไปนะฮะถนนมันก็มีสายเดียวทีนี้ถ้าเป็นวัดปฏิบัติเนี่ยเราต้องยอมอย่างประเทศอินเดียเนี่ยมันมีวันเขาเรียกฮอลลีฮอลลีเนี่ยเขาจะพ่นสีใส่กันอยู่สามวัน เรืกล่าวคำหยาบคายมากมีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยชาวบ้านไม่ยอมใม้พระพุทธเจ้าก็พระสงฆ์ออกบินบาทํทำอาหารมาถวายที่วัดไม่ยอมไม่ออกไปพระต่อเขาก็ไม่สิทธิ์จะพ่นสีใสได้เขาก็ไม่ยกเว้นให้เราเพราะว่า แต่คนเป็นพูดนั้นอาจจะไม่ทำแต่ว่าคนที่ไม่ใชพูดเนี่ยเขาก็อาจจะทําต่เราก็ไม่รู้จะว่าไงก็เป็นตำเนียมเขาแล้วก็ศีลศีล น, นี่แน่นอนแหละคือพระอาจารนั้นท่านมีศีลสมบูรณ์วัดก็สมบูรณ์ศีลก็สมบูรณ์ไม่โกรธก็สมบูรณ์คือไม่โกรธนั้นเป็นพื้นจิตของท่าน ศีลของพระอาหารหันต์เนี่ยมันเป็นศีลระดับที่เรียกว่าอริยกันตะศีลคือศีลที่พระรเจ้าท่านยกย่องชื่นชมแล้วท่านปฏิบัติได้ตอนคนมีศีลมันก็แน่นอนอยู่แล้วอะแล้วก็พระสาริบุตรไม่ใช่ศีลอย่างเดียวนะสมาธิปัญญาด้วย แต่ในที่นี้ก็ทรงแสดงแก่ภิกษุซึ่งย่างพูดเรื่องโกรธไม่โกรธหรือพระเจ้าก็รับสั่งเฉพาะสี่ไม่มีตัณหาเครื่องฟูใจหมายความไม่มีตัณหาที่ทําใจมันฟูขึ้นหรือบางแฟบลงคนเราถ้าไม่มีตัณหาเราไม่ไม่ได้ไม่เสียนะเราไม่ได้ไม่เสีย แลในการได้มาก็ไม่ดีใจคือไม่รู้สึกว่าเราได้แล้วก็เสียไปก็ไม่เสียใจคือไม่รู้สึกว่าเราเสียเพราะไม่มีตัวตนให้เสียหรือไม่มีตัวตนให้ได้ได้ก็สักแต่ว่าได้เสียก็สักแต่ว่าเสียสิ่งต่งางๆมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเราใจได้อยู่ตลอดได้ยังไงใจเสียตลอดได้ยังไง คือใจที่เข้าถึงความจริงในลักษณะนี้คคือเราจะไม่เดือดร้อนหอกอย่างในกรณีที่มีความขัดแยง้งเรื่องถนนหนุนทางอะไรต่ออะไรต่างๆคือถ้าเรายอมรับความจริงว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของถนนคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของถนนและทุกส่วนของประเทศด้วยนอกจากถนนส่วนบุคคล คนมาใช้มากๆถนนก็ติดอะ ต, ติดที่ไหนก็ติดทุกแห่งในโลกนั่นแหละมันไม่ใช่ติดเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทีนี้บางบางทีคนใช้น้อยมันก็ไปได้เร็วคนใช้มากมันก็ติดกันหน่อ ย, ยงงเดี๋ยวเวนี้เราอยู่กรุงเทพ ต, ต้องเตรียมตัว เตรวตูต้เผื่อรถติดอะไรวันก่อนไปเทศที่วัดเทพศิรินเผื่อรถติดเอาไว้นะจริงๆิงวัดเทพศิริ น, นี่ไปสามสิบนาทีก็เหลือเยอะแล้วไปสิบ้าสิบยี่สิบนาทีพอดีแต่รถไม่ติดก็สิบห้านาทีก็ยังไม่ถึงเลยเพราะนันเราจะสี่สิบห้านาทีนะเลยเผื่อปรากฏว่าคิดจะหลบผูเสือแดง ปรากฏว่าคนก็หลบไปทางอื่นกันหมดเลยผลนุ้ายก็ไม่ต้องหลบพวกเสื้อแดงไม่ติดอะไรเลยรวดเดียวถึงวัดสิบสิบกว่านาทีสิบสองนาทีถึงแนละ้วแต่ไงเราก็เผื่อไว้ธรรมดาประการต่อไปทรมานตนแล้วคือคือคือกิเลสที่ฟูใจอย่างเงี้ยในกรณีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็คือปิปะวาะตันหามันไม่พอใจ แต่นี้ตัญหาท่านไม่มีอะแล้วจะฟูยังไงคือใจมันไม่ฟูแล้วก็ไม่แฟบหมายความว่ฟูตามปกติแล้วก็ได้ แ, แฟบแล้วตามปกติก็เสียแต่ท่านไม่มีตัวตนไปรับไปชันได้ฉันเสียฉันมีฉันเป็นไม่เดือดร้อนอะไรก็รธรรมดา อันนี้คือคือโลกทัศธาตุการมองโลกที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นเรื่องไม่มีอะไรเลยสักเรื่อสักเรื่องหนึ่งที่ว่าแล้ทรมานตนคือฝึกตนมาดีพูดง่ายว่าทรมานเนี่ยไม่ใช่ว่าทําให้ลําบากหรอกมาความว่าฝึกตนมาดีฝึกด้วยอะไรแนะฝึกด้วยหลักของศีลสมาธิปัญญา ฝึกด้หลักอรกิยมรรคและเราจะเห็นว่าในอริยมรรคมันก็มีสมารถกับป่าคือความดําริดชอบมันเป็นปัญญาแล้วคิดว่าความโกรธมันมันมันไม่ดีแต่ภาษาอีบุฒิไม่ต้องคิดนะฮะมันเป็นอัตโนมัติไปให้เราตั้งเกตว่าเรามีอะไรเรามีสติก็ได้ เรามีปัญญาก็ได้เรามีความเพียรก็ได้ก็ไม่โกรธอ่ะ แ, แล้วก็ใจก็ไม่ฟูไม่แฟบไปตามกระแสของอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบในขณะนั้นๆมีสรีระในที่สุดสำนวจบาลีหน่อยสำนวจบาลีบาลี ท่านก็แปลตามํำนวนบาลีวันตีมะสารียังก็หมายความว่ามีมีร่างกายเนี่ยร่างกายร่างกายของพระสารีบุตรที่เกิดมาจากนางสารีนี่มันมันมันจบละคือเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายต่อไปก็ไม่มีการเกิดอีกนี่รวมเรียกว่าเป็นพราม กรามในพรามวัเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยหมายถึงพระอระหันต์มีเยอะมียี่สิบกว่าข้อนะฮะยี่สิบกว่าเรื่องด้วยกันหมายถึงคุณสมบัติของพระอรหันต์ทางนั้นทีนี้คำเหล่านี้ถ้าเรามาร้อยเรียงเนี่ยเร า, าเรามาเรียงไว้ทั้งหมดเลยแล้วเราจะเห็นว่าคุณสมบัติของพระอรหันต์เนี่ยมีเป็นร้อยร้อยนะฮะมีเป็นร้อยร้อยเลย สแสดงให้เห็นสามอย่างปัญญาบริสุทธิ์กรุณาปัญญาบริสุทธิ์กรุณาปัญญาบริสุทธิ์กรุณาทั้งนั้นเวลานี้เรามาเรียนเราเรียนแบบกันอย่างฉายาของพระแสดงถึงปัญญาบริสุทธิ์กรุณาทั้งหมดเลยสำนศักดิ์ของพระแสดงถึงปัญญาบริสุทธิ์กรุณาทั้งนั้น แล้วก็แม้แต่ชื่อวัดวารามต่างๆก็พยายามที่จะโน้มเอียงไปในทางบัญญาบริสุทธิ์กรุณาจุดถึงคราวหนึ่งก็เกิดพยายามที่จะพัฒนาวัดไปตามกระแสของพระพุทธคุณคือสะอาดและสงบแล้วก็สวา่าง แต่ทีนี้แสงสว่างเนี่ยสว่างมาดีมันก็ยุ่งเหมือนกันนะคือต้องโค่นต้นไม้วัดมันต้องร่มรื่นนั่นต้องร่มรื่นย้นนสว่างปิดทุ่งโร่งไปยังไม่ได้แต่ว่าคําว่าพุทธะนี่แปลว่ารู้แปลว่าตื่นแปลว่าเบิกบานหมายความมาเข้าไปแล้วจิตใจเบิกบานคําว่าอารามแปลว่าทําใจให้รื่นรม แต่เราเข้าไปแล้วจิตใจเราเรื่นรมมันก็เป็นอารามแต่คราวนั้นก็คงไม่มีใครติงมันก่อนไปปราตกถามีรองศาสาจารย์มิชศาส า, าจารย์หลายคนก็ถามถึงกฎหมายมาตรานี้แหละมาตราสลายหกสิบสามเนี่ยที่ประชุมโดยส ง, งบปราศจากอาวุธ ถามว่าประชุมโดยสงบประชุมยังไงคือมองเห็นว่ามันมันมันเป็นไปไม่ได้เลยเขียนไปทําไมเหรอไอ้สงบอะ่ะเขาประชุมก็มีเครื่องขยายเสียงอ่ะมีเสียงดังมันมีเสียงดังปราจากรกุธศลใช่แต่ว่าสงบเนี่ยมันไม่ใช่ประชุมนั่งสมาธิทีประชุมโดยสงบ แล้วก็ปราศจากอาวุธไประชุมทางการเมืองประชุมในกิจกรรมต่างๆประชุมอะไรก็ตามมันไม่สงบหรอกแต่ว่าถ้าไม่ทะเลาะ ก, กันก็พอแล้วแล้วก็ถามนักกฎหมายก็นั่งอยู่ตรงนั้นบอจะหาคาําอธิบายหน่อยทีหมายความมาอย่างไงอ่ะเขียนไปได้ยังไง ร, รับผิดชอบได้ยังไงแล้วปฏิบัติยังไงแล้วก็ท่าสงบแล้วประชุมมาทําไม ไม่ได้พูดกันเลยไปตึงก็นั่งดูตากันนี่ทำไงภาษาบางทีมันก็คำดีเป็นกันนะดังนั้นในเรื่องภาษาริบุตรเนี่ยมันเป็นระดับมาตรฐานแต่อย่าลืมว่าความโกรธเนี่ยเป็นโทษของทุกเรื่องมันเป็นผู้ฆ่าเป็นผู้ทำลายเป็นอันตรายเพิ่นก็พยายาม ที่จะฆ่าความโกรธฆ่าความโกรธใช้ได้จึงนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธใช้ได้จึงไม่เศร้าสุขพระหารทั้งหลายก็สันสิมการฆ่าความโกรธตอนพระพระหานในความหมายตรงนี้เรียกว่าพราหมนะฮะแต่ต้องเข้าใจว่านี้คือพระอารหันต์ต้องฟังทั้งหลาย เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณธรรมจะมีแนท่านผู้ฟังทางหลายโดยทั่วกันสวัสดี